พระบัญญัติ807ภพิกษุณีต้องอาบัติปาจิตตีเพราะใช้ท่อนยางเรื่องพิกษุณีรูปหนึ่งจบ